าการตั้งใจฟังทำการอบรมต่อไปใช้สำนวนคำพูดที่วาฟังทรรมกับฟังเทศภาษาที่เราฟังกันทั่วไปได้ยินกันทั่วไปว่าฟังเทศก็มีฟังธรรมก็มีในมาสมัยใหม่นี้ก็เรียกว่าใช้การอบรม คืออบรมสิ่งที่มันมีอยู่แล้วนั่นแหละให้มันดีขึ้นที่เรียกว่าอบรมคำเบื้องต้นที่ว่าฟังเทสกับฟังธรรมมันมีความหมายผิดกันเล็กน้อยถ้าว่าทั้งเรื่องแนวปฏิบัติแล้วคิดกันลิฟท์ทีเดียวฟังเทสในฟังได้ทั่วไป ฟังที่ไหนที่ไหนก็ฟังได้การเทศเทเสติไ ป, ไป็ว่าผู้แสดงการแสดงการบอก่อาที่แจ้งแนวทางเรียกว่าเทศ ฟ, ฟังธรรมค่ะนี่ฟังสิ่งที่เป็นธรรมหรือว่าฟังแล้วจะทาตามพูดกันง่าย หฟังแล้วทำให้คุ้มคอมกันเรียกว่าฟังทำให้เข้าใจง่ายๆคือฟังแล้วทำ <c oughs> ถ้าหากผู้มีธรรมอยู่ภายในใจของตนฟังเทศน์นั่นแหละมันกลายเป็นธรรมทุกสิ่งทุกอย่างแสดงสอแสดงอยู่ตลอดกาลเวลาเรียกว่าเทศน์ทุกเมื่อทุ ก, ทกเวลา ผู้ที่เห็นธรรมะผู้ที่มีธรรมะเป็นเครื่องอยู่แล้วซส่อแสดงให้เห็นมีตลอดเวลาคือเห็นธรรมะตลอดเวลานั่นเองจึงเรียกฟังเทศนั่นแหละคือธรรมเหตุนั้นทึ้งว่าที่ว่าไกลกันในที่นี้นั้นหมายความว่าผู้ที่ฟังเทศไม่มีธรรมเนเครื่องอยู่ไม่รู้ธรรมไม่เห็นธรรมไม่ได้ธรรม ก็สักได้ว่าฟังฟังไปฟังก็เลยส่งออกไปต่างการฟังเลยไม่ได้ทำต่างหรือทำไม่ถูกถ้าฟังเทศแล้วนั้นคือส่อเข้ามาแสดงเข้ามาภายในชี้แจงบอกเข้ามาภายใน คำคําสอนพระเจจาวก็มีบทอยู่แล้วมีบทบอกชาติอยู่แล้วว่ะเอหิปัสสิกโกเอหิปัสสิกโกเห็นโดยจะเอหิจงดูเอหิเอหิอันคล้ายๆกับววนี่นี่สิ่งนี้มีอยู่ตรงนี้คล้ายๆกับ ว, ว่างนั้นเ่าเอหิเอหิ เ, อหเห็นเฉพาะให้ไม่เห็นเฉพาะในที่นั้น ในนั้นในการที่ฟังเทศหรือฟังธรรมมีข้อความทิศแตกกันดูโดยอธิบายมานี้อันนี้ในการที่จะฟังต่อไปจะไม่แสดงออกไปข้างนอกเขาจะแสดงให้เข้ามาภายในพระธรรมทั้งหลายที่พระุองค์ทรงแสดงไว้ทั้งหมดล้วนในเดชชีเามาภายในตัวของเราทั้งนั้น จะมายังชอบใจคําโบราณนคําหนึ่งจึงท่านอุปมาพระไมายเปรียบไว้ท่านแสดงว่ า, า, าพระไกปิดกทั้งสามคำทีท่านว่าพระสูตรเป็นตัวกลองพระวินัยเป็นสายลัดพระประมัติเป็นผืนหนัง จะจดูสัจะทันดังอริยสัจธรรมทั้งสี่เป็นไม่คลอนกลองนั่นจะต้องมีสายรัดและก็มีผืนหนังหุ้มหน้ากลองและก็จะต้องมีคอยแลวหลับตีกลองกรองจึงค่อยจะดังท่านอุปมาเปรียดพระ คำคำสองพระเดจ้าวพระสูตรเป็นตัวกลองหมายความว่าตัวของเราทั้งหมดคือประสูตรตัวของเราเนี่ยเป็นตัวพระสูตรทีเดียวคําที่ว่าสูตรในที่นี่น่ะเป็นเรื่องเป็นราวแสดงเป็นเรื่องเป็นราวเป็นอากาศ ถ้าจะพูดถึงเรื่องคนเราแต่ละคนต้องจะเกิดจนวันตายเป็นนิทานยืดยาวนั่นเรียกระสดุในระสรุคือตั ว, ต, ว, ต, วตัวตนคนเราเนี่ยแต่ละคนละคนจะต้องมีพวินัยเป็นหนังรัดคือว่วิในเด็กศิลป์ตามภูมิของตน อุบาสจบอุบาสมีสินอุบาสิกามีสินห้าสินแปดสามเนินสินสิทธิกสุตสินสองรอยีสิบลักลั่นกันเป็นตามชา้นตามภูมิถ้า <c oughs> หากว่าไม่มีหนังนี้ไม่มีปวีนไหนขึ้นหนังเป็นเครื่องรถตัดเสร็จแล้วคนเราจะกระจัดกระจายคือไม่มีขอบเขตประพฤต์นตนไม่มีขอบ ไม่มีศีลเป็นเครื่องร้อยรัดแล้วแล้ปฏิบัติไม่มีขอบเขตเลยคนเราทั้งเคยอธิบายแล้วอ่ะจะดีได้ก็เพราะพระวินัย ห, หรือศีลจึง เ, เครื่องวัดไม่มีศีลไม่ไม่มีพราะวิ น, นัยทั้งเครื่องวัดเสียเลยคนเราก็จะมีไม่มีคุณค่าอะไร หรือถ้าจะเทียบเปรียบมันก็สัตว์ทั่วๆไปตัวนี้แล้วก็าจะมองเห็นได้บรรดาสัตว์ทั่วๆไปเขาไม่ได้รักษากายวาจาคือมันมีสิ่งเด่น อ, อยู่ก็จะมีคุณค่าพิเศษได้ถ้าหากคนเราเป็นเช่นนั้นก็ไอ่ผิดแรงกับสัตว์หายแล้วนะแต่นี้คนเรา มีสีนเว้นเครื่องลอยรัดคือสินนนั่นลอยลัดไว้ไม่ให้กระจัดกระจายอยู่ในขอบเขตของสีนเช่นงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดนิชาจาร์อะไรทในเรื่องเหล่านี้อยู่ในขอบเขตคนเรายังค่อยสูงดีกว่ากัดนี้สูงต่ำเลื่อมล้าเมกัน คุณงามความดีอันนี้แท้แท้นี้จึงเอาพระอินในเป็นสายรัดท่านหลวพ่ามาเรี่ยมันเพราะพระประมัตเป็นผืนหนังพระประมปัตคืออริธรรมที่เราพากันเรียกว่าอริธรรมอริธรรมรวมรวบรวมจวิตเจตสิกรูปที่ผ่า รวมมึงมีสี่จิตห น, น, น, น, นึ่งเจตสิกหนึ่งรูปหนึ่งนิพพานแสดงทั้งเรื่องจิตทั้งเรื่องเจตสิกทั้งเรื่องรูปทั้งเรื่องนิพพาน laf, ก, ก็คือตัวของเราไม่ติไม่ใช่ที่อื่นรูปคือตัวของเราจิตก็คือตัวของเราเจตสิกรูปคื อ, อธธ ต, ตัวของเราตัวของเราเนี่ะที่เอาหนังคืออภิธรรมได้เก่จิตเจตสิกรูปนิพพานเนี่ย มาหุมพอตัวของเราไว้หนังสือโบราณคำพีโบราณท่านอธิบายยืดยาวพูดถึงเรื่องพระพิธามตกแต่งร่างกายแสดงถึงเรื่องอักขระสามที่สองตัวอัญชนาแปดมาตกแต่งผมขนเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกโอ้โหยืดยาว เอาพระพิธรรมมาตกแต่งตัวของเราคือท่านแสดงอยากจะให้เห็นว่าตัวของเราคือเป็นปรมาถ ธ, ธรรมตัวของเราคือเป็นธรรมะท่านอยากให้แสดงมาตรงนั้นเองอยากให้เข้าใจมาตรงนั้นเองแต่คนก็เข้าใจผิดไปถือว่าพระพิธรรมมาแต่งเอาจริงๆอย่างจังผมขนแล็บฟันหนังเนี้อเอ็นล้วนแต่พิธรรมทางนั้นมาแต่ง อาซาอาซาภาษาซาคือลมหายใจเข้าออกเรียวกว่าพสูตดพวีไหนลมหาย ใ, ห ใ, จใจออกเรียกพวีไหนหายใจเข้าเรียวกพสูตรไปเองนะเป็นพิธีไอเป็นพิธีใหญ่โตฮ่วมก ว, ว่านั้นถ้าว่าปรมัตา์คือผืนหนังอันนี้ยังกรองแล้วค่ะนี่ถ้ามีตัวกลองแล้วก็มีผืนหนังคือหุ้มหน้ากลองแล้วก็มีสายรัด อันกลองนั่นแหละถึงจะดังกลองที่หุ้มหนังแล้วนั่นมีสายรัดแล้วนั่นถ้าหากไม่ตีก็ไม่ดังอีกหรอกคอยท่าคุณตีคอยท่าสิ่งที่จะมาตีมันจะค่อจะดังถ้าไม่ตีก็ทิ้งอย่างนั้นแหะไม่ดังครับท่านจงอธิบายต่อไปว่า จะดูสัจจะทันดังอริยสัจจะทำเป็นไม้คอ้อนตีกล้องกลางวางอาริ ย, ยรรสัจจะทำนั้นสี่พิษทุกสมถ่ายในิโลดมัดตีตั้งไหน ต, ตีกลองนั่นเองก็หมายความว่าสัจจะทำทั้งสี่ไม่ได้หนีจากตัวของเรา ทุกนันดังคนเขาทุกยังกระทั่งออกฝากบางคนร้องโฮเลยก็มีมันดังออกมาคือ ท, ทุกไกยืนอีกควรเสีย อ, อกเสียใจน้อย อ, อกน้อยใจเศร้าโศดเสียใจด้วยประการต่างๆออกปากร้องโหมาดังเลยนั่นแหละคือสัจธรรมเป็นคอนไกยทุกอยู่ตรงนั้น คือพรอนตีกลองมันดังสัจธะทมเป็นของดีมีคุณค่ามากแต่คนไม่อยากได้สัจธะทมทุกคนแหละมนุษย์สัตว์ทั้งหลายในโลก น, นี้ไม่มีใครปรารถนาสักคนเดียวสัจธะทมคือทุก สุขนั้นปรารถนาทุกคนแต่ไม่ใช่สัจธรรมสุขนั้นไม่ไมใช่สัจธรรมท่านไม่ได้ว่าสุขนี่โลดคือความดับทุกข์ไม่ได้ว่าสุขท่านบอกว่าความดับทุกข์เฉยสุขอยู่ตรงไหนสัจธรรมไม่มีไม่มีสุขนี่โรดคือความดับทุกข์ ท่านพูดถึงเรื่องความดับทุกข์ไม่ใช่สุขถ้าสุขอยู่ยังไม่ใช่นิรุนดับทุกข์แล้วน่ะไม่ได้เรียกว่าสุขจะเรียกอะไรก็ไม่ถูกมันอยู่ตรงนั้นคนเราจรึงว่าชอบไม่ชอบสัจธรรมจรึงไม่ได้เห็นธรรมถ้าหากคน แห่งพิจารณาทั้งเรื่องสัจธรรมเอาสัจธรรมมาเป็นอารมณ์ถึงจะได้เห็นธรรมะจึงจะได้เห็นของจริงความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายก็เป็นทุกข์ความเศร้าโศกเสียระใจอะไราอาวรณ์ก็เป็นทุกข์ทุกทั้งหลายเหล่านี้แหละ เป็นตัวสัจธรรมคนไหนไม่พอใจไม่ชอบทุกข์เกลียดทุกข์คนนั้นเรียกว่าคนปราชัยพ่ายแพ้มีคำบาลีเร่งว่าธรรมอเดสีปราพโวคนเกลียดธรรมคือคนชังธรรมเป็นคนพ่ายแพ้ คือยอมแพนเองถ้าหากว่าเราพอใจในทุกก็เรียกว่าคนพ่ายแพ้อีกเหมือนกันแต่ในที่นี้ถ้าไม่ให้เกลียดทุกแต่ว่าไม่ให้พอใจในทุกแต่ให้เอาทุกมาพิจารณาให้มารู้เท่าทึงเรื่องทุกรู้เท่าเข้าใจทุกเรื่องทุก เรียกว่าตีกลองให้มันดังถ้าเราทุกข์กพิจารณาแลวตีกลองดังเลยดังคือครบรู้คือความเข้าใจคือความเห็นจริงในสิ่งนั้นนั้นพูดกล้องกว้างออกไปอีกที่หนึ่งว่าโลกอันนี้ไม่ใช่โลกสุขโลกอันนี้เป็นโลกทุกข์ คนไหนเพาะเกิดขึ้นมาในโลกเทนีอ่ะหรือว่าน่านจะเกิดมาในกองทุกข์เลยแต่ทั้นทุกคนที่พากัรค้นขวยสแสวงหาอาชีพทุกอิทีิาแม้แต่ปฏิบัติถินธรรมคำสองของสรุรจเรรมก็เพื่อที่จะบำบัดทุกข์คือว่าเพื่อจะแก้ทุกข์ เพื่อแก้ทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นอ่ะใครทำอะไรอะไรทั้งหมดอ่ะเพื่อแก้ทุกข์นะแต่ว่าแก้ไม่ถูกปมแก้ไม่ถูกจุดยิ่งทุกข์นักยิ่งกว่าเก่าอย่างบางคนที่จะพากันเห็นใดเห็นก็ฆ่าตนตายเอากลุ่มเกินไปเพราะเสียของเสียความตั้งใจแล้วเสียของประสงค์ ไม่สมหวังและสมปร า, ารถนาถึงฆ่าจนตายแต่ที่จริงเขาก็ต้องการเพื่อจะบำบัดทุกข์ของเขานั่ น, นเบื้องต้นเังนั้นผิดหวังเลยเนี่ยจนเกิดฆ่าจนตายนี่ถ้าหาทิศทางที่จะเอถ้าหากว่าดำเนินแนว ทางในบำบัดทุกขิจฐานเนี่ยทุกยิ่งวกว่าเก่าทางที่พระพุทธจเจ้าตรัสสอนให้อบหลมชินธรรมก็เพื่อบาบัดทุกอย่างนั้นคือให้เข้าไปเห็นทุกข์ทั้งหลายเหล่านั้นเข้าใจทุกข์ทั้งหลายนั้ น, น, นต่างเป็นจริงไม่หลงทุกข์จึงไม่เดือดร้อนในเรื่องทุกข์ถ้าหลงทุกข์แล้วก็เดือดร้อนในเรื่องทุก นี่สัจธรรมอยู่ตรงนี้ดังอยู่ตรงนี้เกิดขึ้นมาในโลกแล้วเกิดมาในกองทุกเดียวกันทั้งนี้พระพุทธเจ้า ต, ตรัสเทศไปแล้วเทศนาไว้แล้วทุกอันนี้เกิดขึ้นแล้วโลกอันนี้มันมีอะไรหรอกนอกจากทุกเกิดแล้วดับไปทั้งมดไม่มีนอกจากทุกเกิดแล้วดับไปไม่มีอะไรเลยเสือ ไปหาดูเถอะใคาจะไปหาสุขตรงไหนไม่มีทางนั้นน่ะสุขเพราะเมาสุขเพราะหลงแต่แท้ที่จริงอั้นที่เขาว่าสุขนั่นคือทุกข์นั่นเองที่เข้าใจว่าสุขนคือคือทุกข์นั่นเองคนไม่ชอบทุกข์คนเกลียดทุกข์เหมือนกันกับคนป่วยคนไข้ไม่ชอบยา โรคเลยไม่หายคนไม่กินยาไม่ทานยาโรคกเลยไม่หายทาคาสองพระเดจเจ้าเป็นธรรมโอสฐ์ขนาดที่จะรักษาคนป่วยคนไข้ถ้าพระเดจเจ้าเป็นหมอเอก <c oughs> เป็นหมอวิเศษยิ่งกว่าหมอไหนๆทั้งหมดทั้งโลก ท่านจึงแสดงถึงเรื่องฮะโลคยาปรมาราภาความมีมโลกเึงนลาบอย่างยิ่งคนเราเข้าใจเพียงว่าสุขภาพอนามัยดีไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยก็ส เ, เสาะก็แซ่เที่ยว่าคน ม, นมีโลกก็ถูกเหมือนกัน อันโลกส่วนนั้นนั้นไม่มีก็ค่อยได้ความสุขความสบายบ้างเดียกวก็เป็นลาภของคนนั้นเหมือนกันแต่โลกอโลคยาปรมาราภาคาว่าเป็นลาภอย่างยิ่งไม่ใช่ลาภอย่างนั้นอันนั้นเป็นลาภธรรมดาคือไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข่เป็นลาภธรรมดาไม่ใช่ลาภอย่างยิ่งคือการได้อย่างยิ่ง การได้อย่างยิ่งไม่ได้หมายลาภไม่ได้หมายโลกนะั้ะคือโลกใจโลกในที่หมายความทั้งเรื่องเชื่อโลกทื่ตัวกิลิตมันกเกาะปินใจทังคนให้ป่วยอยู่ตลอดเวลาคนป่วยใจนั่นแ่ละไม่มียารักษายาในโลกนี้ไม่มีอ นอกจากธรรมโอสถไม่ต้องอื่นไกลละ่ะแล้วคิดถึงเรื่องแนวปฏิบัติของเราเดี๋ยวนี้ใจที่เราคิดวุ่นวี่วุ่นวายสงสยัยตามอาการน น, นี้ปลุงนั่นแต่งนี่ยวไปยึดยึดนี้ ไปยึดสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจไปเก็ะเกี่ยวสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจเดี๋ยวไปเกลียดเดี๋ยวไปโกรธเดี๋ยวไปโลบไปล้มัวเมวนาณีอันีอนั้นแหละเชื้อโลกของใจมันก็ะยึนหัวใจค่อยเศร้าหมองสูบซีดลงไปหัวใจไม่เบิกบาน ไม่ใจไม่เหวไม่ฟองใสเพราะโลกนะั้นคอยกัดคอยกินให้หุบให้เหวี่ยให้แหว่ง ใ, ให้วิ่นไปในผลที่สุดเลยไม่คล่อมคองใสเลยห้องใจเลยไม่มีใจเศร้าหมองเหมือนกับกายภายนอกผู้มีโลกไปจำตัวสูบซีดพร้อมแห้งแรงน้อย เิวพันไม่ผมม่องใสหัวใจก็เหมือนกันโลกคือตัวพิเรศดังอธิบายมานั้นเข้าไปเกาะกินแล้วคนนั้นจะมีความทุกข์เศร้าหมองถ้าหาพระพุทธเจ้าท่านฟังธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วเอาไปชำระคืออยาธรรมโอส ล้าไปชำระแก้ไขใจนั่นก็จะค่อยหายไปจากโลกที่พระพุทธเจ้าท่านบอกลาอยาคือบอกอยาสนับแก้พระองค์แสดงทั้งเรื่องขันห้าอายตนะว่าจะธาตุสี่เไปธาตุสี่นี้ขันห้าอายตนะไปละ ยาแต่และขนาดขนาดมีเบื้องตน้นอย่างที่เราไปยึดไปถือตนถือตัวถือเราถือเขาถืออะไรตัวอะไรแล้วถือว่าเป็นตนเป็นตัวคืออัศมีมณะเพิ่มขึ้นพระองค์บอกว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไ, ไม่ใช่อัตตา อนาถิธาสี น, น, น, นำไปเลยมีคำโครงของสมเด็จมนรวัตรรันรัตน์ธรรมรังสีีวัชโสมนัสท่านพูดดีดีปวดตนอวดดินพูดหยาบหยาบี่เดียวลหละถือตนถือดินท่านบอกไม่ได้ว่าอวดถือตนคือถือก้อนที่ดิน ก้อนดินแต่และก้อนละก้อนคนเอาถือตนถือดินอวดต้นอวดดินอวดหินอวดขี้อวดดีแก่ตายอวดสบายแก่โลกนั่งโงก ง, งบแก่เห ล, ลวแหลว่าตนรูปตนพื้นผิวจะดียังไงท่านวะน่าฟังน่าฟังท่านเป็นคำวมาฐานคำวมาฐานเก่าแก่ผู้ฝาจางคำว่าฐาน ในทำคำสอนพระพุทธเจ้าท่านก็พูดเหมือนกันท่านมาพูดให้ชัดลงไปอีกกุมภูมังกายจะไปมังวิริตตวาพระองค์ตรัสเทศนาว่าใครจะมารู้จักซึ่งหมอ้อคือตัวอัตภาพนี้กุมภูปะมังกายของเราในเหมือนอุปมาเปรียบ ม, มันกับหมอ้อคือหม้อดินนเง่งธรรมดาหม้อนินมีแค่หม้อดินที่คนปั้นมาแล้วเป็นรูปขงกาย เป็นลูกเป็นขุมมอมาแล้วเนี่ยจะต้องแตกในวันหนึ่งข้างนารลูกกายนี่ก็ต้องแตกเหมือนกันไม่ถึงร้อปีต้องแตกแต่หม้อนี่มันเร็วกว่านั้นหน่อยหม้อดินแท้ๆหม้อดินนี่มันเร็วกว่านั้นหน่อยอมันช้ากว่านั้นหน่อท่านีึงว่าคือก้อนดินท่านจึงว่าตัวตนที่ถืออัตมีมณะว่าตวนว่าตถุคือดินทั้งห แล้วไปถือว่าแต่ไม่ดินไม่ใช่ของเราเนี่ยดินเมื่อเราไม่เห็นอย่างงี้มันก็อัตมีมนันก็หายไปเวทนาก็เกิดจากก้อนดินตั้งอธิบายมาแล้วทุกเกิดในโลกอันนี้เกิดมันนี้ทุกเกิดแล้วดับไปนอกจากทุกเกิดแล้วดับไปไม่มีอะไรเลยเหลือในโลก คำ ว, ว่าทุกเกิดขึ้นแรกเดาไปเขาเกิดขึ้นจากเฉพาะบุคคลคนหนึ่งนั่นเองถ้าคนไม่เกิดโลกมันก็ไม่มีทุกทุกไม่มีแบบมันเกิดที่คนเกิดส่งหากทุกเห็นนั้นยังว่าถ้าหากเราไปเข้าใจตามเป็นจริงวะอันนี้คือก้อนทุกไม่ใช่ก้อนเราไม่ใช่ตัวเราอันที่ว่าเราทุกมันก็หายไป ถึงมาตราตรออยู่เราเห็นอยู่รู้จักอยู่รู้สึกอยู่ว่าเพราะมีสัมผัสอายตนะจิตของเรามีแล้วก็ครองอยู่ในกายนี้มันก็ทอบที่กายนี้เกิดทุกข์มาแล้วก็รู้จั ก, กว่าทุกข์เกิดที่กายเกิดที่ใจสัมพัสธกันอันนี้นี่เป็นเรื่องทุกข์ของโลกเราเห็นเป็นเรื่องทุกข์ของโลกมันก็สบายนอยยกแก่ทุกข์ ฐานที่ ส, อ, สญญจจองสัญญาคือการจดจํามันจําดีลก็เกินคำว่าสัญญาจําแม่นลก็เกินอารมใ์ใดที่มันนานแต่นานล่วงรับไปแล้วเลยไปแล้วทั้งยี่สิบปีก็ชังมันมันเอามายึดเอามาจดจ่อมาจำอย่านั้นแหละไม่ถูก อ, อันสัญญาที่ล่วงเลยไปแล้วเพียงชั่วหน่อย เรียกว่าชัญชญยาอดีตข้อมันเคยผ่านมาแล้วมันร้ายกาเข้าไปก็นั้นเีงคือสัญญนะ้นยาคตร่างนีมันยิ่งร้ายกว่านั้นเีงยังไม่ได้เคยพบเคยจอยังไม่ได้เคยเป็นเคยนีเลยมันไปชั้นยาไปยึดไปก่อนไปแล้วก่อนที่จะเกิดชั้นยาก็คือสังขารใน้ปรุงมาก่อนแล้วก็เกิดสัญญาเป็นยึดไว้ตรงนี้เป็นหมายมั่นจดจาไว้ตรงเรื่องสัญญาท่านอุปมาเปรียบไป มารีจีลูประมาณสัญญาสัญญาเปรี่ยมมันก็พันยับแดดแ ด, ดร้อนๆส ก, ก้าเราเดินไปในทุง่งมองดูข้างหน้าเห็นเป็นตัวยิบยับยิบนีบเพราเข้าไปถึงหายไปเพราะเข้าไปถึงต้นหายไปเห็นในตาตขทางหน้านู้สัญญาความจำไม้หมนันนีขเขอเชิญเดียกับ เป็นไม้เป็นไอเหมือนกับพยายามเตกจำนี่แล้วก็ไปจำโด น, นจำนั่นแหละก็ไปจำโด น, นมันไม่เอาเรื่องเอาราวหรอจำแล้วก็หายไปวางไปทิ้งไปจำไว้แล้วทิ้งไปแล้วตัวประทานเข้าไปแทนที่ตัวสัญญาบรรวางเละตัวประทานเข้าไปแทนที่ถ้าหาเราตามเข้าไปดูตัวสัญญาอ๋อมันทิ้งน่ะนี่มันจะไปตามมันทำไม ตัวประทานเข้าไปยึดต่างหากวันที่เราว่าัดจำนอนจำนี่คือตัวประธานเมื่อเราเข้าไปพิจารณาอย่างนี้เป็นอาการเกิดดับของจิตจําแล้วก็หายไปจําโน่นหายไปจํานี่แล้วก็หายไปจําจทิ้นเลยวางใจนี้ไปจําโนนถ้าจะว่ามาเปรียบอีกไันหนึ่ง แันยาตัวนี้คล้ายๆกันคล้ายๆกับไอ้ ล, ล, ล, ลิงที่มันจะไปตามต้นไม้น่งมันต้องวาไปจับกิ่งนี้แล้วก่นวอนข้อไอ้เสกิ่งหนาเพราะจับกิ่งหน้าได้มดัดแล้ววางวางมือนี่แล้วก็ไปข้อจะกิ่งหน้าต่อไปมือขวาจับกิ่งนี่ไว้แล้ว มันก็โหนตัวไปจับจิงหนามือซ้ายไปจับจิงหนาเพราะจับจริงหนาอะครอั น, นี้ก็วางมือซ้ายนี่มือขว า, อาวางมือขวาเนี่ยมือซ้ายยึ ด, ดก็เดิ่มกับวางมือขวาโยนตัวไปวาไปตามตทิงไว้ต่างๆสัญญาก็แบบนั้นเนี่ยมันไม่แน่นอนถ้าบอลอะไรเป็นต้นเป็นตัวเลยเหรอ ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราจะไม่ไปยึดเอาสัญญามาเป็นตนเป็นตัวมาเป็นของเราหรือสัญญาก็เลยทราว่าสัญญาสังขารก็ทธรนองเดียวกันท่านอุปมาเปรียบมัอนกันตนกล้วยไม่มีแก่สังข า, า, ารากระดูปมาอุปมาเปรียบมันก็ตนกล้วยตนกล้วยในข้าย่อมปัญหาแก่นไม่มีหรอก ประกอเข้าไปเป็นได้หยวก้งว่าถ้าเป็นั้นที่ทสุดก็เป็นเป็นหยวกหมดเลยนี่มีแกนสังขารหาสาระม่ได้ไม่ว่าสังขารรูปสังขาร น, นาสังขารมีสองอย่างสังขารรูปคือรูปกายเช่นตัวของเรานี่แหละหาแก่นสารไม่ได้ดังอธิบายมาแล้วคือรูปอัจฉภาพร่างกายได้แก่ธาตุจีนน้ำปรมนั่นเอง สังขารจิตยิ่งแล้ววับๆไปแบกปรุง ม, มั่นแต่งนี้แล้วก็หายไปวางไปไม่มีสาระแกนสารมดเลยคือเกิดจับอยู่ตลอดขณะทุกขณะนั่นแดยสงขาร น, น, นั่นเองนี่ก็เป็นยาขนาดหนึ่สงสำหรับที่จะกำจัดโลกคือความปลุงความแต่งทำให้ใจ กัดแกวงส่งสายไปตามอาการต่างๆวิญญาณนั่นก็ยิ่งแล้ววิญญาณใ น, นที่นี้นะ่ะหมายก่อนถึงวิญญาณที่เกิดของรู้ตามอายตนะพัฒนาเกิดขึ้นมาแล้วเกิดของรู้เดียวหายไปพอรู้พัฒเดียวหายไปกระทบครั้งแรกนั้นเรียกวิวญญาณในอายตนะเกิดความรู้สึกนครั้งแ้ก ขนาต่อไปก็คือเรียกว่าเจตสิกขนาดที่เราต่อไปก็เป็นสัญญาเป็นตั้งขาเปนรูปทางครั้งแรกเลิกจึดครั้งแรกตัวประธานเช่นเข็มปักเราเงี่ยสมมติเราเข็มเข็มถือเราเนื้อจะเป็นเข็มธรรมดาหรือเข็มอยา่างอาแทงอยา่างกระถางช่างเถะ พอถูกปั๊บขั้งแหล่งรู้สึกแพ็บเดียวหายไปแล้วนะ่ะควารู้สึกขั้งแหลงนะ่ะคือตัวสัญญาัาคือตัววิญญาณครั้นี้มันเจ็บตรงนั้นตรงนี้มันเป็นมันเป็นผู้ประทานนะครแล้วไ่อยากให้มันเจ็บหรือวะอยากให้มันหายแะไรต่างๆมันเป็นตัวสังขางเลยมันขณะนี้เดี๋ยวติดต่ออันนั้นต้องเรียนอะพี่ทำ แต่ว่าเรียนส่งก็ไม่ได้อีกเลยถ้าเรียนไปตามตำราลาแล้วส่งไปไม่ได้เรื่องอีกเลยเรียนเข้ามาตรงนี้มาดูตรงที่มันเป็นอยู่พุทธิใจของเราเให้เข้ามาตรงนี้ขณะที่จิตของเราที่มันเกิดควมรู้สึกครัง้งแรกนั่นแหละพอกระทบอารมณ์อะไรขึ้นมาทางอยายต้าใดๆก็ตามพักเลยมา ให้เห็นตรงนั่นเลยอย่าไปเห็นที่ตำลาอย่าไปเห็นตัวหนังสือให้เห็นที่ตัวจริงของมันนั่นเลยนี่ทำครั้งสองไปจเจ้าสอนสอนคาว่าออภายในเรียกว่าสอนทำไม่ใช่สอนเทศสอนให้ทําหรือทําตามหรือเป็นธรรมทุกสิ่งทุกอย่าง ที่พระองค์ตรัสเทศนาไว้ในคำพีต่างๆมากมายที่โบราณอาจายเทียนกนดล 80,000 จี่พันันธมันล้วนจดิชี้เข้ามาที่ตัวของเราแล้วก็จุดหมายปลายทางคือสอนให้เราสำลักมากมายพูดแฝงมากมายต้องหลายอธิบายมากมาย้งหลายแต่ตรงที่เอาจริงๆังจากองค์เอาอันเดียวนิดเดียว เหมือนเหมือนกับคนเราแสวงหาอาชีพหาได้ก็เอาเถอะหาเงินหาทองเข้าของเสนบัตรบ้านช่องอย่าทำอะไรก็ตั้อาหารนั้นหามากมายมาเพื่อลดกลายรีดนิดเดียวคือลดโอชะถ้านาั่นก็แล้วกันล่ะถ้าโอชาไม่มีแล้วก็มีประโยชน์เลย โอชาเพื่อสัมผัสเพื่อเกิดโอชาอะไรกันนั่นแหละซึมซาบขนําไปหล่อเลี้ยงร่างกายมีชีวิตอต่อไปหมดขาระเท่านั้นแต่ทาอาหารกินโดยประการใดก็ตามเถอะมารวมนิดเลือวนั้นไม่ได้มากมายส่วนธรรมะทั้งหลายที่ฟังไปมากมายหรืออธิบายไปมากมายก็ตามเราได้ศึกษามามากมายอะไรก็ตาม ถ้าหากว่าฟังแล้วไปกำจัดโลกคือกิเลสที่มันเกาะกินยมวใจหยหายไปหมดไปก็เป็นว่าถูกต้องตามพุทธประสงค์ที่พระองค์เจ้าตรัคเทศนาไว้ถ้าฟังไปไม่ได้การาสะสมฟังไปไม่ได้การลังเลสงสัยฟังไปไม่เข้ามาถึงจุดนั้นสักที จะเรียกว่าเพิ่มโลกขึ้นยาสแสลงโลกคนนั้นอาจจะโลกจะไม่หายบางทีอาจจะถึงกับตายก็ได้คือรักษาตนไม่ได้เกิดความเดือดร้อนหวนวาดเกิดลังเลต้องใสในการปฏิบัติเกิดลังเลต้องใส่ในทำกรรมาสาวเบอร์เจ้าเลยเกิดมิจฉาทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิ เรียกว่าตายตายจากสัจธรรมคําสอนของจิตขั้นสองของพุทธเจ้ามีที่บายเนื้อความของธรรมะมาในวันนี้นหะพอจะสรุปรวมได้ว่าทำคำสรรอนพุทธเจยาทั้งหมดสอนซี้เข้ามาที่ในตัวของเราไม่ได้ชี้ไปที่ที่อืน่นผู้ฝึก ผู้ฝึกหัดฝึกฝนหรือผู้ศึกษาธรรมะถ้าส่งไว้ภายนอกละวผิดประสงค์ของพระุทธองค์ท่านอน้ อ, อมอภายในฟังแล้วปฏิบัติไปและชำระไปในภายในในใจทั้งทลพร้อมๆกันเลยอันนั้นเป็นอันถูกต้องตามประสงค์ของพระองค์จะฟังจะศึกษาหรือจะดูตลราดำํายังก็ตามอันนั้นเป็นความมุ่งของพระพุทธองค์ ที่เลทเป็นโลกสำคัญของใจโลกกายไม่สำคัญเท่าใจโลกของใจธรรมทั้งหลายที่พระองค์เจ้าแสดงไว้วล้วนเราจะเป็นตำรายาแต่ละขนาดถ้าหราบทจะบำบัดโลกภายในใจคือตัวจิตถ้าหากว่าเราไม่ตำรายาได้แล้วแต่รู้จักแล้วแต่เราไม่เอาไาใช้คือเราไม่คิด โลกก็จะไม่หายแต่ว่ามันแปลกอยู่ตรงว่าคนเราเนั่นเป็นโลกมันไม่ชอบอยาเพื่อมันขวาฝืนเรื่องเรื่องกิเลสกิเลสของคนเรามันไม่อยากจะให้คมหิงตามโบราณภาษาโบราณทั้งเรียกว่ามาไม่จีบกันจะทำดีทำชอบไม่ได้มันหาเรื่องจีบกัน แต่ว่าความดีที่เราพยายามชำระสาสางให้หมดจดแต่นั้นเป็นเหตุนำมาถึงสุขสุขในที่นี้เนี่ยถ้าหากสุขทั้งที่สุดได้สุขทั้งที่จริงแล้ยนั่ะท่านไม่ได้เรียกว่าสุขท่านเรียกแต่ว่าระงับทุกข์ขึ้นดับทุกข์ไดเฉยทุกข์ น, กขนั้นท่านไม่เห็นเลยละท่านสอนในที่จะหนาทุกข์ทุกข์ น, นั้นของตนสมนต์ ไม่ใช่ว่าละละตรงจิตที่เป็นสมุทยัยก็ได้ตัวโลกให้ชําระโดยยาระงับโดยยาธรรมโอสถเมื่อเข้าไปชําระด้วยยาธรรมโอสถแล้วโลกหายเฉยเฉยไม่ได้เรียกว่าสุขในที่นี้ถ้าเรียกว่าสุขมันก็นยังมีทุกข์อยู่ไม่ได้เรียกว่านโลด นีโลดไม่ได้มีทุกมีสุขต้องเดียวกว่ามีฤกษ์ดังนั้นถ้าหากเราเชื่อทำทั้งสองพุทธเจ้านำเอาตำรายาที่เราศึกษามาเราได้ยินได้ฟังมาเอาไปใช่คือรับประทานอาการของโรค ก, ก็จะหมดไปนั่นเป็นความเป็นจุดหมายปทางใหญ่ยิ่งของพุทธเจ้าที่เศนาที่อธิบายมาในวันนี้ก็ มีในแนวโดย ท, ที่อธิบายมานี้